ธรรมชาติที่ร้อนความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าเตโชธาตที่เป็นภายนอกประมวลเตโชธาที่เป็นภายในและเตโชธาตที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมดเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธาต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 ที่ประกอบด้วยกามนี้เรียกว่ากามธาตุขันธ์ธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณที่ท่องเที่ยวนับเนื่องอยู่ในระหว่างนี้ชั้นต่ํามีอเวจีนรกเป็นที่สุดชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิ ต, ตะสวัตตีเป็นที่สุดนี่เรียกว่ากามธาตุพยาบาทธาตุเป็นชไหน ความตรึกความตริกโดยอาการต่างๆมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทธาต์อีกในหนึ่งความที่จิตอาฆาตในอาฆาตวัตถุสิบความอาฆาตที่รุนแรงความกระทบกระทั่งความแค้นความพีรโรษตอบความกำเริบความกำเริบหนักความกำเริบหนักขึ้นความคิดร้ายความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายหนัก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 183่ามธาตุสคือ 1. จักกุธาตอ 2. รูปธาตุสามจักกูวิญญาณธาตุสโสตธาตุห้สัตธาตุหโสตวิญญาณธาตุเดคานาธาตุแคันธาตุเคานวิญญาณธาตุสิบิวหาธาตุถสถิรสธาตุสิบสิวหาวิญญาณธาตุ 13. กายธาตุสิบโพธพธาตุสิ 15. กายวิญญาณธาตุสิ 16. มโนธาตุสิ 17. ธรรมธาตุสิ 18. มโนวิญญาณธาตุหนสบบรรดาธาตุสินั้นจักขุทธาตุเป็นไฉนะจะสุใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสนี้ชื่อว่าบ้านว่างบังนี้เรียกว่าจักขุดธาตุ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 นี้เรียกว่าสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นฉไนจิตมโนมานัทไทปันดระมโนมนายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันโสตวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยโสตคือหูและเสียงเกิดขึ้นนี้เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุคานธาตุเป็นฉไนคานคือจมูก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 ปันดาราโมมนายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันคานวิญญาณธาตที่เหมาะสมกันอาศัยคานะและกลิ่นเกิดขึ้นนี้เรียกว่าคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตเป็นไนชิวหาหมายถึงลิ้นใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูรปสนี้ชื่อวบ้านว่างบางนี้เรียกว่าชิวหาธาตรสธาตเป็นไน รถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี่ชื่อว่ารถสถา้าบ้างนี่เรียกว่ารถสถาต์ชิวหาวิญญาณธาตุเป็นฉไนจิตมโนโมานัตทไทปันดระมโนมานายตนะมนินทรีสีวิญญาณวิญญาณขันชิวหาวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยชิวหาและรถเกิดขึ้นนี้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 ได้แก่สัญญาขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากิษก็มีสัญญาขันหมวดละมากอย่างมี <S <S <Without them> ด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าสัญญาขันสังขารขันเป็นฉไหนะสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขั น, นที่สัมปยุต ด, ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสองได้แก่สังขารขั น, นที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มี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 มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันเกิดขึ้นในลำดับแห่งการเกิดดับแม้แห่งมโนธาตุจิตมโนมานัตทไทบรนตระมโนมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันอาศัยพวังขจิตแธรรมารมณ์เกิดขึ้นนี่เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอภิธรรมภาชนี 3. ปัญหาปุจฉกะ185รดาธาตุสคือ 1. จักขู่ธาตุสองรูปธาตุาา 3. จักขู่วิญญาณธาตุโสตธาตุหสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุสิชิวหาธาตุ1ิพระสัทธาติบชิวหาวิญญาณธาตุ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 อาจายคามิติกะวิจัชนนาธาตุสิบหกไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธาตุสองที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ก, ก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิเอเซกคติกะวิจัชนาธาตุสิห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 เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สองทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโ ค, โคจชกะปิสัชนา188่ธาตุ7ิไม่เป็นเหตุธรรมธาตุที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีธาตุสไม่มีเหตุธาตุสองที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีธาตุ16วิปยุจจาเหต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 หกถึงแโอคะโคจัชกาทิวิสัชนาทาติบเไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรนธรรมธาตุที่เป็นนิวรนก็มีที่ไม่เป็นนิวรนก็มีทาติบหเป็นอารมณ์ของนิวรน ท, ท่าสองที่เป็นอารมณ์ของนิวรนก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรนก็มี ท, าท่าสิบหวิปยุทธจากนิวรนท่าสอง